สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่27พระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อ7ถึงข้อ12ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่27่ข้อเถึงข้อ12บุคคลที่อิ่มแล้วน้ำพึ่งก็น่าเบื่อแต่สําหรับผู้ที่หิวทุกสิ่งที่ขมก็กลับหวาน คนที่เจิไปจากบ้านของตนก็เหมือนนกที่เจิไปจากรังของมันน้ำมันและน้ำหอมกระทำให้ใจยินดีและคำเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็นที่ให้ชื่นใจอย่าทอดทิ้งมิตรของเจ้าและมิตรของบิดาเจ้าและอย่าไปที่เรือนพี่น้องของเจ้าในวันลำบากยากเย็นของเจ้าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ห่างไกล บุตรชายของเราเอย๋ยจงฉลาดและกระทําให้ใจของเรายินดีเพื่อเราจะตอบบุคคลที่ตำหนิเราได้คนอย่างรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสียแต่คนเขาเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้นพี่น้องครับในข้อที่7นะครับได้สอนเราว่าเมื่อเราอิ่มคนเรานะครับเมื่ออิ่มแล้วเนี่ยนะครับน้พึ่งซึ่งโดยปกติ เป็นของที่เขาชอบกินน่ากินและมีรสชาติอร่อยอร่อยก็จะไม่น่ากินอีกต่อไปในทางกลับกันครับสําหรับผู้ที่หิวนะครับบางอย่างที่ขมก็อาจจะกลายเป็นอาหารที่ อ, ร, อร่อยได้ขม อ, อาจจะกลายเป็นหวานได้เพราะว่ามันสามารถตอบสนองความต้องการอาหารของเขาความอยากกินอาหารของเขาพี่น้องครับพระกัมภีร์ข้อนี้สอนเราเกี่ยวกับท่าทีการครอบครองวัตถุสิ่งของนะครับ การครอบครองวัตถุสิ่งของที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เขามีมากหรือมีน้อยครับสำหรับผู้ที่มีมากจะไม่ยินดีหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขามีแต่สำหรับคนที่มีน้อยนะครับเมื่อเขาเห็นสิ่งที่เขาจะได้หรือวัตถุสิ่งของต่างๆครับเขาก็จะรีดเข้าไปหาเลย เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีมากนั้นก็จะไม่ยินดียินร้ายครับหรือเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับเท่ากันกับคนที่มีน้อยมีน้อยนั้นเมื่อเขาได้รับอะไรเขาจะรู้สึกว่าเขายินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งการที่เราจะสร้างความประทับใจนะครับสำหรับคนที่มีมากก็ยากครับแต่สำหรับคนที่มีน้อยนั้นก็จะสร้างความประทับใจได้ง่ายกว่าสาหรับคนที่มีมากนะครับ เขาก็ไม่มักจะไม่ชื่นชอบนะครับแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีคุณค่าแต่ว่าคนที่มีน้อยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะชื่นชอบแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่จะมีคุณค่าไม่มากนักพี่น้องครับมีคนบอกว่าความหิวนั้นเป็นเครื่องปรุงแต่งที่ดีที่สุดความหิวนั้นเป็นเครื่องปรุงแต่งที่ดีที่สุดความหิวจะทําให้อาหาร อ, ร, อร่อยครับ เพราะฉะนั้นอย่าพาคนไปเลี้ยงเมื่อเขาอิ่มให้เราพาคนไปเลี้ยงเมื่อเขาหิวสิ่งที่เราเลี้ยงเขาก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากข้อที่8นะครับบอกว่าคนที่เจินไปจากบ้านของตนก็เหมือนนกที่เจินไปจากรังของมันข้อนี้นะครับก็พูดถึงคนที่ละทิ้งความรับผิดชอบที่บ้านของตัวเองพร้อมกับความสะดวกสบายที่ได้รับจากบ้านของตัวเอง มันก็เหมือนกับนกครับที่หลงไปจากรังเร็วเกินไปหรือไกลเกินไปนะครับก็จะนําความลําบากมาถึงตัวมันเองครับพี่น้องครับพระกัมภีร์ตอนนี้ได้เตือนเราครับว่าบ้านนั้นเป็นสถานที่มีความรักความอบอุ่นมีความจริงใจมีความตรงไปตรงมาและทําให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจ เพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจออกจากบ้านนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าคิดครับถ้าเราออกจากรังหรือบ้านของเราเร็วเกินไปนะครับก็าจจะนำความบากได้ถ้เาเราจะเห็นนะครับคนหนุ่มคนสาวเนี่ยที่แต่งงานแล้วหรือมักจะออกจากบ้านของตัวเองเร็วเกินไปนะครับก็อาจจะไม่สามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างประสบความสำเร็จก็ยกตัวอย่างเช่นบุตรน้อยหลงหายครับ ตัดสินใจออกจากบ้านเอามรดกแบ่งมรดกของพ่อไปในที่สุดเขาก็พบกับความล้มเหลวในข้อที่เกครับบอกว่าน้ำมาและน้ำหอมกระทําให้ใจยินดีและคําเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็นที่ให้ชื่นใจพี่น้องครับเท่าไรมีเพื่อนที่ดีเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับเตือนเรานะครับว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆทําเราบาดเจ็บ แต่เขานั้นมีท่าทีที่ดีมีความจริงใจในการเตือนสติอย่างจริงใจของเพื่อนคนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีได้มันเปรียบเสมือนกับความหวานหรือความหอมครับที่กระจายฟุ้งมาจากน้ำหอมหรือเครื่องหอมพี่น้องนะครับน้มันและน้ำหอมกระทำให้ใจยินดีคำเตือนสติอ่อนหวานครับพี่น้องครับเราเตือนสติซึ่งกันและกันนั้นต้องใช้คาพูดที่เหมาะสมอ่อนหวานนะครับอ่อนโยน แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตของเขาอย่างจริงใจนี่เป็นสิ่งที่พระบัมเพียได้สอนเรานะครับให้เราจะมีท่าทีในการเตือนสติซึ่งกันและกันโดยใช้คำพูดที่อ่อนโยนครับผู้ใหญ่หลายคนนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเวลาที่เขาเตือนสติพี่น้องเตือนสติสิทธยพิบาลเตือนสติผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านเหล่านั้นใช้คาพูดที่ดีครับ ใช้คำพูดที่อ่อนโยนอ่อนหวานใช้คําพูดที่แสดงถึงความจริงใจพี่น้องครับในข้อที่10ครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอย่าทอดทิ้งมิตรของเจ้าและมิตรของบิดาเจ้าและอย่าไปที่เรือนพี่น้องของเจ้าในวันลําบากยากเย็นของเจ้าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ไกลสุภศิษิ์ข้อนี้ครับก็มีความหมายที่จะให้เราที่จะรักษามิตรภาพนะครับในระยะยาวในอนาคต มากกว่าที่จะทําลายความผูกพันในครอบครัวของตัวเองอย่าทอดทิ้งนะครับอย่าทอดทิ้งมิตรของเจ้าและมิตรของบิดาเจ้าพี่น้องครับพราะวจนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นความจริงครับเพื่อนของคุณพ่อเราก็รักเราเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทิ้งเพราะชนะของพระเจ้าสอนเราชัดเจนนะครับและใครก็ตามที่มีประสบการณ์เราจะพบว่าเพื่อนของพ่อแม่เรานั้นจะรักเรา อย่างจริงใจครับและสิ่งนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับการสนับสนุนจากท่านเหล่านั้นได้เพื่อนๆนะครับเป็นพันธมิตรที่สำคัญเราควรจะต้องรักษาไว้นะครับเราควรจะต้องรักษาไว้เพื่อนที่อยู่ใกล้อาจจะไม่ใช่เป็นญาติทางสายโลหิตนะครับก็ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ไกลเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เขามีความจริงใจเขาช่วยเหลือเราได้ พี่น้องครับการครบเพื่อนสําคัญครับเราจะต้องคบกับคนที่มีความจริงใจและมีความรักและเราจะได้รับการช่วยเหลือในยามลําบากยากเย็นดีกว่าพี่น้องท้องเดียวกันร่วมสายโลหิตเดียวกันเสียอีกข้อ11และข้อ12ก็พูดถึงเรื่องว่าเราจะต้องมีสติปัญญาเราจะต้องดํารงชีวิตอย่างคนฉลาดเราจะต้องมีความยินดีปรีดา มีความชื่นชมมีความปราโมดมีความปรีดีเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะต้องมีความฉลาดในเรื่องอะไรนะครับในเรื่องที่เราจะต้องดิวหรือเราจะต้องเผชิญหน้ากับคนที่ชอบตำหนินะครับเพื่อนพี่บอกว่าเราจะต้องตอบบุคคลที่ตำหนิเราได้นะครับบุตรชายที่ฉลาดหมายความว่าบิดาสามารถตอบคนที่กล่าวหา ว่าเขาเป็นพ่อที่ไร้ความสามารถได้เห็นไหมครับพี่น้องครับบุตรชายที่ฉลาดหมายความว่าบิดาสามารถตอบคนที่กล่าวหาว่าเขาเป็นพ่อที่ไร้ความสามารถได้บุตรชายที่ดำเนินชีวิตยอย่างมีสติปัญญาก็เป็นหลักฐานของการที่ถูกเลี้ยงดูอย่างดีมาตั้งแต่เด็กครับพอาจ้านของพระเจ้าตอนนี้นะครับยืนยันว่าลูกชายที่ฉลาดนำความยินดีมาสู่บิดาของตน นะครับลูกชายที่ฉลาดนำความยินดีมาสู่บิดาของตนเวลาที่มีใครไม่พอใจลูกของเราก็บอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนนะครับแต่บุตรชายที่ฉลาดก็ทำให้ลบคำสบำมมตทคำนี้ครับพี่น้องครับเราจะนำความกระตันอยู่กลับมาถึงพ่อแม่ของเราได้ก็คือเราจะต้องเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเราจะต้อง เป็นหลักฐานของการที่คุณพ่อคุณแม่ดูแลเราเป็นอย่างดีมาตั้งแต่เด็กนี่คือผลงานชีวิตของเรานั้นเป็นผลงานของคุณพ่อคุณแม่ที่ตกแต่งเราปั้นเราให้เราดีขึ้นจบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเห็นอันตรายและซ่อนตัวเสียเพราะว่าเราเป็นคนที่มีสติปัญญาขออย่าให้เราเป็นคนเข่าครับเป็นคนโง่ที่เดินเรื่อย ไปแล้วก็รับอันตรายนั้นพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าคนฉลาดหรือคนสุขุมรอบครอบนะครับเขาสามารถที่จะคาดหวังนะครับปกป้องตัวเองได้พูดง่ายง่ายก็คือว่าเขารู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถป้องกันตัวเองได้เขาจะป้องกันตัวเองไดจากการทาผิด จากปัญหาจากกับดักและทำให้ตัวเองนั้นประสบความสำเร็จในขณะที่คนเขา่าหรือคนไม่รู้หรือคนงโง่นั้นล้มเหลวครับและจมอยู่กับปัญหาขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนครับให้ได้รับการทรงนําของพระเจ้าในวันนี้ให้เรามีเพื่อนที่ดีให้เราเตือนสติซึ่งกันและกันด้วยความอ่อนโยนและด้วยความรักให้เราเป็นคนฉลาดรอบคอบ อย่าเป็นคนโง่เขลาเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเพื่อที่เราจะประสบกับความสำเร็จในการทำงานเพื่อพระเจ้ารับใช้พระองค์ในการที่จะถวายชีวิตสรรเสริญแด่พระเจ้าและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อเมน